มีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่ถามเราถามนะยังไงรู้อะไรบ้างรู้เปล่าว่าความหลงคืออะไรอะไรคือความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ความจริงเดี๋ยวกว่อนก็ได้เดี๋ยวก็ถามก็ได้เดี๋ยว เดี๋ยวก่อนก็นได้เดี๋ยวก็ถามก็ถามค่ะกรับเรียนผ้าจาย์ตอนที่โยมนั่งปฏิบัติธรรมแล้วโยมมีปัญหาที่ที่มีความไม่สบายใจเวลานั่งปุ๊บอันอข้ออันเนี้ยมันขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเบาให้ลงก็เลยจะคำว่าพูดโทก็ไม่ได้ทีนี้โยมก็มา ฟังผู้อาจารย์เคยบอกว่าให้คิดใดข้อหนึ่งแล้วยมก็เอาข้อที่กําลังมีความคิดในเรื่องปัญหาข้อหนึ่งมาแล้วทีนี้ก็ก็เอาตรงเนี้ขึ้นมาท่องประมาณทั้งสิบรอบแล้วตรงนี้มาสงบลงพอสงบลงพวกโยมก็ใช้คําว่าพูดโทพูดโธ ร, รู้สึกว่าคําที่มีปัญหาที่มันหนักตรงเนี้ยมันเบาแล้วมันหายไป แล้วก็คําว่าพุโทโธพุโทโธแล้วก็โยมก็น่าปฏิบัติธรรมจนฝ่าโยมสบายตามที่โยมได้ทําคะ่ะอ่าก็ดีแล้วนี่ก็ทําให้มันสบายแต่ถ้าเกิดทำแล้วไม่หายก็อยากไปอยากให้มันหายมันไม่หายก็อยู่กับมันไป เ, เราก็พุโทโธพุโทโธไปคบางทีมันไม่หายไม่หายก็ก็ต้องปล่อยมันไป อย่าไปอยากให้มันหายเพราะอยากแล้วมันจะทรมานความทรมานอยู่ที่ความอยากบางสิ่งบางอย่างมันเกิดเราจะให้มันหายมันไม่หายก็ต้องให้มันอยู่ไปเช่นความเจ็บบางทีมันเจ็บอยากจะให้มันหายมันไม่หายถ้าไปอยากมากๆมันก็จะทุกข์มากๆถ้าไม่ไม่อยากก็ปล่อยมันอยู่ไป เอมันก็จะทําให้เราไม่ทุกข์ค่ ะ, อ ะ, คะตอนที่อนุญาตทีหนึ่งตอนที่โยมคิดตรงนี้พอพอตรงนี้มันเบาสึกโยมก็เอาตรงคำมาพุโทโธคําที่มันทุกข์หรือมีปัญหาที่หนักเนี่ยก็หายไปรู้สึกว่าเบาลงพอพุโทโธพุโทโธก็นั่งตามกําลังที่โยมทําได้อ่าก็ดีแล้วน ะ, ะก็ถูกแล้วทําต่อไปทําให้มันสงบนั่งนานนั่งบ่อยๆนั่งมากๆอย่าไปทําอะไร เอสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของปลอมทั้งนั้นเออไม่ใช่ความสุขแท้เป็นความสุขปลอมเอเป็นความทุกข์เอออาเอาความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงอนอกนั้นเป็นความทุกข์ทั้งหมดออเนี่คือความหลง ความหลงคือความไม่รู้ความจริงว่าความสุขคืออะไรไปคิดว่าความสุขคือลาบยศสรรเสริญความสุขคือรูปเสียงกลิน่นรสก็เลยไปเสพลาบยศสรรเสริญไปเสพรูปเสียงกลิน่นรสพอเสพแล้วก็ต้องมาล้อ ง, องห่มล่องห้เวลาที่มันหมด เวลามีเศษมันก็สุขแต่เวลามันหมดมันก็ทุกข์เวลาลาบหมดเงินหมดมันก็ทุกข์เวลาเงินไม่หมดมันก็สุขแต่เงินนี้เราไปสั่งให้มันไม่หมดไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไม่หมดก็อย่าไปใช้มันท่านั้นมันถึงไม่หมดถ้าไปใช้มันก็หมด ลาบยศสารเสนรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันหมดพอเวลาหมดมันก็จะทำให้เราขาดความสุขไปเพราะเราใช้มันให้ความสุขกับเราพอมันหมดความสุขก็หมดพอความสุขหมดความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ นี่คือความหลงหลงไปคิดว่าสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะหลงไปคิดว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผุดตพานี้เป็นความสุขแย่งกันหากันใช่ไหมแก่งแย่งกันหากันหากันเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจพอเวลาเสียไปเวลาหมดไปก็ร้องโหยร้องไห้กัน นี่คือความหลงไม่รู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนไปเห็นความทุกข์เป็นความสุขไปท่านเรียกว่าเห็นกับตาละปัดเห็นกงจากเป็นดอกบัวกองจากก็คือมีดเนี่ยล่ะกงจากก็คือไอ้มีดกลมๆเห็นไมกงจากเวลามันหมุนเตี้วนะเอาบอถ้ามันไปตะที่ไหนเข้าไป ฟันอะไรเขาก็ก็ขาดนะกงจักรเป็นท้ายคายไปโดนโกงจักรเข้ามันก็เจ็บนะแต่ไปคิดว่าเป็นดอกบัวเห็นกงจักรกลมๆหมุนเตี้วๆคิดว่าเป็นดอกบัวสวยงามก็เลยไปจับมันพอไปจับมันมันก็เลยเอถูกมันถูกมัน ตัดถูกมันบาดเลือดออกดอกบัวคิดว่าเป็นดอกบัวคือเหมือนคนที่เห็นงูเห่าว่าเป็นปลาไหลไปจับปลาไหลจับไปจับงูเหา่าคิดว่าไปจับปลาไหลพอจับเข้ามันก็ถูกงูเห่ากัดเนี่ยคือความหลงเห็นผิดเห็นไม่เห็นตรงความเป็นจริง ที่เห็นว่ามันสุขเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามันเป็นความสุขนี่มันเป็นความสุขแต่มันเป็นความสุขแบบไม่เที่ยงแต่เรามองไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเรามักจะไปคิดว่ามันเที่ยงได้อะไรมาแล้วมันจะต้องอยู่กับเราเป็นของเราเรากควบคุมมันได้ สั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดได้แต่พอมันอยู่กับเราไม่ได้ไม่อยู่กับเราขึ้นมาความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ตอนนี้ถ้าเรายังหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดผลพภะมาเสพอยู่แสดงว่าเรากำลังหลงกันอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องทุกข์ เพราะจะมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถที่จะเสพมันได้เช่นร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการเสเพรูปรเสียงกลิ่นรสเสเพราบยศสรรเสริญเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเดี๋ยวมันก็ต้องตายอ่ะออมันแก่มันเจ็บมันตายก็จะไม่สามารถอ หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะได้เวลานั้นก็จะเป็นก็จะมีแต่ความทุกข์คนซึมเศร้าเห็นไคนแก่คนที่ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้ก็จะมีแต่ความซึมเศร้าความเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเหวเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ เพราะต้องอยู่คนเดียวเพราะไม่สามารถที่จ ะ, ะเสพอะไรได้มีเงินก็ไม่สามารถที่จะใช้มันได้ถ้าร่างกายไม่มีเลี่ยวมีแรงนี่คือความทุกข์ที่เราไปเห็นว่าเป็นความสุขกันส่วนความสุขนี่เราไม่เห็น เราไม่รู้ว่าความสุขจริงๆมีอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอันนี้ต้องรอคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาสอนว่าความสุขอยู่ที่ตัวเรานี่แหละอยู่ในตัวเรามันอยู่กับเรามาตลอดแต่เราไม่ไปสนใจมันไม่ไปเหลียวแลมัน เหมือนกับสามีที่มีภรรยาที่ดีอยู่กับบ้านแต่ไม่เหลียวแลชอบออกไปหานอกบ้านไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าของดีอยู่ที่บ้านออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปติดเชื้อโลกติดอะไรมาอั น, านนี้แหละคือไม่รู้ความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเรา เรียกว่าความสงบเนี่ยไอ้ตัวนี้เรากลับไม่เหลียวแลมันไม่สนใจใหญ่ดีมันเกลียดมันพอจะต้องอยู่คนเดียวให้ใจสงบไม่ไม่เอาเลยหนีเลยต้องรีบไปหาคนนั้นหาคนนี้หาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเกอันนี้ก็เหมือนกันพอต้องอยู่บ้านกับแฟนกับเมียหลวงนี่อยู่ไม่ได้ต้องรีบหนีเลยต้องรีบออกไปหา เมียหลวงผัวอาเมียน้อยผัวน้อยข้างนอกพราเมียหลวงผัวหลออยู่แล้วมันไม่สุขเพราะว่ามันยังไม่เข้าไม่ถึงกันความสงบนี่เราเข้าไม่ถึงเพราะก่อนจะเข้าถ้าความสงบได้เราต้องอยู่คนเดียวก่อนเราไม่ชอบอยู่คนเดียวพอต้องอยู่คนเดียวปั๊บนี่มันทุกขขึ้นมาทันที มันเหงามันว้าเวมันซึมเศร้าเพราะว่าการที่จะหาความสงบนี้เราต้องตัดการหาสิ่งอื่นๆไปทั้งหมดไปหารูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้ไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ได้ต้องอยู่ที่เปล่าเปลี่ยวเดียวได้ที่ไม่มีอะไรแล้วก็ต้อง ดึงใจให้เข้าไปข้างในให้ได้ใจเราตอนนี้มันชอบออกไปข้างนอกชอบออกไปหาลาบยศสรรเสริญออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระอยู่ดีๆจะให้มันกลับเข้ามาเองมันไม่กลับเข้ามาต้องลากมันเข้ามาเหมือนสุนัขเนี่ยที่มันชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านถ้าเราไม่มีเชือกไม่มีอะไร ดึงมันไว้ในบ้านมันไม่อยู่บ้านมันจะอยู่ก็ตอนที่มันหิวแล้วเนี่ยวันมันหิวมันก็กลับมากินอาหารพอมันอิ่มแล้วทีนี้มันก็อยากจะออกไปเที่ยวแล้วใจเราก็เหมือนสุนัขเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ข้างในเราต้องมีเชือกดึงมันเข้ามาถ้าไม่มีเชือกมันจะไม่เข้ามันก็จะออกไปเล่นออกไปกัดกันออกไป อะไรกันแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวกลับมาใจเราชอบออกไปหาเรื่องกันออกไปหาแล้วก็ต้องกลับมาซับน้ำตาที่หลังออกไปหาคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดการขัดใจกันขึ้นมาไม่ตอบสนองความอยาก พอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันหรือได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปหมดไปเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรสักชิ้นเดียวที่มันเที่ยงแท้แน่นอนถาวรแม้แต่เพชรเนี่ยเราดูคิดว่ามันจะถาวรถ้ามัน บ่อยมันทิ้งไว้เป็นล้านปีเดี๋ยวมันก็ต้องพังลงของทุกอย่างมันมีวันที่จะต้องแตกต้องอต้องหายไปต้องเปลี่ยนไปเพียงแต่ของบางอย่างมันใช้เวลานานกว่าที่มันจะเสื่อมก็เลยดูว่ามันไม่เสื่อมแต่ของทุกอย่างมันต้องเสื่อมไปหมดโลกนี้ที่เราอยู่นี้เดียวมันก็ต้องเสื่อม เดี๋ยวสองวันหนึ่งมันก็จะแตกเป็นเสี่ยงๆไปแต่มันช้ามันก็เลยทำให้เราคิดว่ามันเที่ยงกันแต่ของพวกนี้ไม่ค่อยเป็นปัญหากับเราเละของที่เราเห็นว่ามันเสื่อมเราก็ยังไม่ยอมมองเลยเช่นสมบัติข้าวของเงินเท่านี้ นาบยศจัลเสิรเนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปพอมันไปเราก็หาใหม่เห็นรู้ว่ามันเสื่อมแต่ไม่ยอมรับมันเสื่อมก็หามันใหม่ของที่เราดื่มของที่เรารับประทานดื่มเสร็จมันก็หายไปหมดแล้วเราก็หามันมาใหม่ตราบใดที่เรายังหามันได้เราก็คิดว่ามันยังเที่ยงอยู่ แต่เดียวมันต้องมีวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถหามันได้อยากได้แต่ไม่ได้เวลานั้นมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากให้ใจเราไปเจอความทุกข์ต่างๆต้องมีเชือกดึงมันเอาไว้ดึงมันเข้าข้างในเพราะความสุขข้างในคือความสงบนี่ มันเป็นของเที่ยงถ้าอยู่ข้างในได้ถ้าหยุดคิดหยุดอยากได้ความสุขนี้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีวันหายไปนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบนห้วอนักบวชในยุคสมัยพระพุทธเจ้าก็มีนักบวชเขาก็ค้นพบความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงแต่ว่าเขา คบแบบพบแบบชั่วคราวชบแบบที่เวลาดึงเข้าไปมันก็สกมันก็สงบพอปล่อยมันออกมาข้างนอกมันก็หายสงบหายสุกแต่พระพุทธเจ้ารู้จักวิธีที่จะทำให้มันสงบให้มันสุขแม้แต่ขณะที่อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกพระพุทธเจ้าทรงค้นพบเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สงบ แ่ที่ทำให้ใจเราวุ่นวายกันไม่มีความสุขกันก็คือตันหาความอยากนี่เองถ้าเราตัดตันหาความอยากให้หมดไปจากใจได้ความวุ่นวายใจต่างๆจะไม่มีความความความหิวความโหยความอะไรต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่ในใจนี้มันจะหายไปหมด ใจจะสงบเย็นสบายมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปข้างในอยู่ข้างนอกก็สงบอยู่ข้างในก็สงบแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะต้องดึงมันเข้าไปข้างในอย่างเดียวเหมือนดึงจะสงบดึงเข้าไปในสมาธิหยุดให้หยุดคิดอย่าให้มันไปสัมผสัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรส อยากไปสัมผัสรับรู้กับบุคคล น, นั่นบุคคล น, นี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือร่างกายของตอนเองอเวลาไม่ได้สัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆใจก็สงบมีความสุขขึ้นมาแต่พอออกมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆทั้งของเราและของคนอื่นมันก็เกิดความอยากขึ้นมา อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากความสงบก็หายไปความวุ่นวายใจก็ปรากฏขึ้นมาทันทีอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมเวลาออกจากสมาธิแล้วความสงบจึงหายไปทำไมไม่สงบต่อเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิมีพระพุทธเจ้าท่านั้นที่สองคนพบว่าที่มันไม่สงบก็เพราะว่า มันเกิดความอยากขึ้นมานั่นเองพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สงบวุ่นวายใจเวลามันอยากปั๊บนี่ใจเริ่มสั่นนะใจกระเพื่อมขึ้นมาอยากพอคิดถึงกาแฟนี่อยากจะดื่มกาแฟนี่ใจก็เริ่มสั่นขึ้นมาแล้วเริ่มอยากขึ้นมาเริ่มหิวขึ้นมา พออยากจะได้อะไรขึ้นมานี่ใจก็สั่นแล้วร้อนแล้วเงินทองในกระเป๋านี่ร้อนตามไปด้วยพอเห็นของที่อยากจะซื้อขึ้นมานี่มันอยู่ในกระเป๋าไม่ได้นะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวต้องต้องระบายมันต้องเอาเงินไปจ่ายเขาไปแลกของที่อยากได้พอได้ของมามันก็กลับมาเย็นชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอไปเห็นของใหม่เขาก็อยากขึ้นมาใหม่ ร้อนขึ้นมาใหม่นี่คือสิ่งที่ทําให้ใจทุกข์พระพุทธเจ้าทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายตอนที่ทรงออกไปเที่ยวนอกวังแล้วไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายข้างล่างนี้ท่านไม่สบายใจเลยเมื่อก่อนไม่เคยเห็นอยู่ในวงังเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวเห็นแต่คนสวยคนหลอ่อ ชีวิตก็มีแต่ความสุขแต่พอออกมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วรู้ว่าต่อไปพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทีนี้ใจของพระองค์ไม่มีความสุขแล้วเห็นคิดถึงร่างกายทีไรคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายทีไรก็ไม่สบายใจแต่ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมต้องไม่สบายใจ ตอนหลังถึงมาค้นพบว่าเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองอยากให้ร่างกายเที่ยงอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆานเป็นของเราไปนานๆแต่ร่างกายมันไม่เที่ยงมันไม่ได้เป็นของเราไปนานมันเป็นของเราได้เชื่อระยะหนึ่งบางคนก็น้อยปีบางคนก็แปดสิบปีบางคนก็เจ็ดสิบปี บางคนวันเดียวก็มีออกมาจากท้องแม่ปั๊บก็ตายเลยก็มีนี่คือร่างกายของทุกคนมันไม่เที่ยงแต่เราอยากให้มันเที่ยงเราเลยทุกเนี่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงค้นพิจารณาเหมือนกับคนที่คิดอยู่ว่าทําไมผลไม้เวลามันหลุดจากขั่วมันถึงตกลงมาทําไมมันไม่ลอยขึ้นไปะ มันก็ต้องมีอะไรดึงมันลงมาไม่มีอะไรดึงมันขึ้นไปมันถึงลอยลงมาใบไม้ที่มันปิวขึ้นไปได้เพราะอะไรก็เพราะมีลมดันขึ้นไปแต่ถ้าพอไม่มีลมมันก็ร่วงลงมาอะไรทำให้มันร่วงลงมาคนฉลาดก็บอกว่าก็มันต้องมีอะไรดูดมันเขาก็เลยเรียกไอ้ตัวที่ทำให้ทุกอย่างตกลงมานี้ว่าเป็นแรงดึงดูดของโลก พอรู้แล้วทีนี้เขาก็เลยสามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้ก็ถ้ามันมีแรงหนึ่งดูดลงมาเราก็ทำแรงหนึ่งดูดให้มันดูดขึ้นไปสิพอมีอะไรที่ทำให้มันดูดของขึ้นไปได้มันก็ลอยขึ้นไปได้ก็เลยเกิดเครื่องบินเกิดอะไรต่างๆขึ้นม า, อ, าอันนี้ก็ยกตัวอย่างของคนที่คิดเป็นพวกเราดูเฉยๆก็ไม่เคยคิด อมันล่วงหลนลงมาก็ดีแต่จะได้ไปกินนั่นนี่จะไปคิดว่ามันทําไมต้องร่วงลงมาทําไมให้เสียเวลาแจะมันจะได้ไม่ต้องไปปีนต้นให้มันเหนื่อยพอเปล่าพวกเรามันคิดอย่างเนี้ยคิดแต่จะกินอย่างเดียวคิดแต่จะเอาอย่างเดียวก็คิดว่าจะเอาแต่ได้ไม่เคยคิดว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไงมันเป็นอย่างไงมันถึงเป็นอย่างนี้เอ คิดไม่เป็นกันเนี่ยคนไม่มีไม่ฉลาดไม่มีปัญญาคนฉลาดก็จะคิดหาเหตุหาผลว่าอันนี้มันตกลงมาอะไรทําให้มันตกลงมาออันนั้นลอยขึ้นไปอะไรทําให้มันลอยขึ้นไปเขาก็คิดกันคิดแล้วเขาก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะถ้าอยากให้สิ่งนี้ลอยเขาจะทํำยังไงให้มันลอยเอเขาก็เลยคิดคนหาเครื่องเครื่องหาใบพัดมาหมุน พอมันเห็นเวลาลมพัดนี่ใบไม้มันปิวขึ้นข้างบนนะลอยขึ้นข้างบนแรงหมุนของลมใช่ไหมแต่อยากจะให้ของหนักลอยขึ้นก็ทําใบพัดให้มันพัดให้ของหนักนี่มันลอยขึ้นไปเขาก็เลยผลิตเครื่องเครื่องบินกันผลิตจรวดกันไอพ่นมันก็เป็นตัวดันใช่ไหมตัวดันให้ของที่ถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดนี้ ให้ลอยขึ้นไปได้พวกเราเลยเป็นนักบินกันนะเป็นเหมือนติดปีกันอยากจะบินไปไหนเดี๋ยวนี้ก็บินได้เพราะความคิดของคนคนเดียวเนี่ยก่อนที่นั่งคิดว่าทําไมไอ้ผลไม้ลูกนี้มันหล่นลงมาทําไมไม่ลอยขึ้นไปอพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาอยู่ในสมาธิมันทําไมไม่ทุกข์นะพอเอกมาจากสมาธิพอมาเห็นร่างกายเราทําไมมันทุกข์ เห็น <One> ว <input> ่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันทำไมทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่อยากให้มันแก่ทำไมถึงไม่อยากให้มันแก่เพราะไปคิดว่ามันเป็นของเราใช่อะไรถ้าเป็นของเราเราก็อยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเราไม่สนใจใช่ไหอร่างกายคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่เราไม่สนใจเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเรา แต่ทำไมร่างกายนี้เราไปคิดว่าเป็นของเราพระพุทธเจ้าก็เลยต้องค้นหาความจริงว่าแล้วร่างกายนี้มันเป็นของเราจริงหรือเปล่ามันเป็นเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่เราอยู่ตรงไหนของร่างกายค้นหาไปก็ไม่เจอเราอยู่ในร่างกายร่างกายก็มีแต่อาการสามสิบสองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มันไม่ได้บอกว่าเป็นเราเลยเนี่ยใช่เราเป็นคนไปบอกว่ามันเป็นเราเองผมมันก็เป็นผมขนมันก็เป็นขนเล็บมันก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันร่างกายนี้ถ้าแยกชิ้นส่วนออกมาเอามากองไว้มันจะไม่เห็นตัวเราเลยตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราก็อยู่ที่ความคิดเท่านั้นเองเราไปคิดว่าเป็นเรานั้นเองพอคิดว่าเป็นเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆ ทีนี้เราห้ามมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าสั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราได้เรื่อยๆหรือเปล่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันต้องเสื่อมมันมีเจริแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมมันไม่ใช่ของเราเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่เป็นของเราไปตลอดไม่ได้มันเป็นของผู้ที่สร้างมันขึ้นมาผู้ที่สร้างมันขึ้นมาคืออะไร ก็คือดินน้ำลมไฟดินมาจากไหนก็อาหารที่เรากินก็มาอาหารมันมาจากดินใช่ไหมข้าวนี่มาจากไหนมันต้องไล่ไปถึงต้นมันถึงจะรู้ข้าวก็มาจากดินน้ำที่เราดื่มมันก็เป็นมันก็มาจากน้ำลมที่เราหายใจมันก็มาจากลมไฟก็ไฟที่เราได้รับจากแสงแสงสว่างของดวงอาทิตย์ใช่ไหมพอตอนคืนไม่ร้อนใช่ไหม พอตอนวันพอพระอาทิตย์ขึ้นนี่ร้อนขึ้นมาความร้อนก็นมาจากแสงอาทิตย์พอมีสี่อย่างนี้มารวมกันมันก็เลยทำให้เกิดผมขนเล็บฟันขึ้นมาผมขนเล็บฟันมันจะยาวมันจะโตขึ้นมาได้ไหมถ้าเราไม่ได้กินอาหารไม่ได้หายใจดูสิคนที่ไม่หายใจเป็นไงก็แข็งทื่อนะ่นใช่ไหมมันกลายเป็นซากศพไป พอเป็นสร้างศพแล้วเป็นไงมันก็จะแยกทางกันเลยน้ำในร่างกายมันก็ขอแยกออกจากร่างกายลมก็ขอแยกออกจากร่างกายไฟก็แยกออกจากร่างกายทิ้งไว้นา น, านๆเขาก็เหลือแต่ดินนะส่วนที่แข็งส่วนที่กระดูกหนังที่มันแห้งกรอบเปื่อยผุไปกลายเป็นดินไปหมดนะหรือถ้าเราจะเร่งมันก็ไปเผาพอเผาเดี๋ยวก็เหลือแต่ดินนะั ไปแล้วเผาน้ำก็ถูกไฟเผาไปหมดลมก็ถูกไปหมดออกไปหมดนี่แหละคือพระพุทธเจ้าความคิดของพระพุทธเจ้าคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไปเคลมมันเองเราไปเหมือนกับเราไปไปสมัยก่อนเขาไม่มีเจ้าของที่ดินนี้เราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปทำกินแล้วก็บอกนี่เป็นของเรา เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราซะหน่อยอยู่ๆเราก็ไปไปจับจองไปจองว่าเป็นของเราพอเป็นของเราแล้วทีนี้ใครมาแตะไม่ได้นะพอเราเสียมันไปเราก็เสียใจพอพอเราไปจับจองอะไรว่าเป็นของเราเราก็จะยึดติด้จะหวงจะไม่ยอยากให้มันเป็นของคนอื่นอันนี้คือปัญหาของเรา พอเราได้อะไรมาแล้วเรามักจะไปจับจองว่าเป็นของเราพอได้ร่างกายจากพ่อแม่มาก็ไปจองว่าเป็นของเราแล้วก็หวงไม่ยอมให้มันจากเราไปพอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่อยากไม่ตายทำไมร่างกายคนอื่นเราไม่ทุกข์ เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมร่างกายคนอื่นตายก็เรื่องของเขาเราไม่ได้มีความอยากให้เขาไม่ตายนอกจากคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราอยากให้อยู่กับเรา ans. เ้วก็ทุกข์กับเขาได้เช่นแฟนเราเพราะพอเราได้แฟนมาก็อยากจะให้เป็นของเราอยากให้อยู่กับเราไปเหมือนกับร่างกายของเราขึ้นมาหรือลูกของเราพอเราได้ลูกเราก็ ไปคิดว่ามันเป็นของเราก็อยากจะให้อยู่กับเราพอมันไม่อยู่กับเราก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันนี่ความหลงคือไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเราต้องมาแก้วความหลงว่ามันไม่ใช่ของเราว่ามันไม่เที่ยงเรามักจะคิดว่ามันเที่ยงอะไรเป็นของเราแล้วมันต้องเที่ยง อะไรเป็นของเราแล้วมันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดอ น, นี่มันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดเดี๋ยวมันก็จากเราไปทุกสิ่งทุกอย่างช้าหรือเร็วเวท่านั้นเองอนนเราต้องมาแก้ความหลงเพราะเราแก้ความหลงได้เราก็จะแก้ความอยากไดนน้พอเรารู้ว่าไม่เป็นของเราเราก็เฉยแล้วสิใช่ไหมมันจะอยู่หรือจะไปเราก็ไม่สนใจแล้ว แต่ถ้ามันเป็นของเราเนี่เราจะไม่ยาวไม่มันจากเราไปแต่พอ ร, รู้ว่ามันไม่เป็นของเราเดี๋ยวเจ้าของก็ต้องมาเอาไปเจ้าของยาวไปเราก็รู้เราก็ต้องปล่อยต้องยอมตอนนี้เราไม่ยอมเรายังไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราอยู่เนี่ยเราต้องหมัอนพิจารณาดูว่ามันเริ่มต้นที่ตรงไหนมันมาจากใครเรามีส่วนตรงไหนบ้าง มันก็เริ่มต้นจากพ่อแม่สองคนเนี่ยที่มาร่วมผลิตร่างกายนี้พอพอมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาเราก็เลยมาครอบครองเหมือนเราไปจับจองที่ดินพอจับจองที่ดินแล้วเขาก็สร้างคอนโดสร้างศูนย์การค้าสร้างอะไรขึ้นมาเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของมันหมดแล้วร่างกายนี้มันก็เป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับเรา เหมือนของขวัญเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราไม่มีร่างกายเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราจึงมารอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราพ่อแม่คนเก่าของเราเราจากเขามาแล้วจากชาติก่อนชาติก่อนเราก็เคยได้ร่างกายจากพ่อแม่คนเก่ามาแล้วพอร่างกายอันเก่าที่เราได้มามันแก่มันเจ็บมันตายไป เราก็มาหาร่างกายอันใหม่มารอรับร่างกายอันใหม่เราก็คือดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีร่างกายเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่จะหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสิญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะ นีพอเรามาได้พบกับพระพุทธเจ้าที่ทรงคลพบว่าเป็นความหลงทั้งนั้นร่างกายก็ไม่ใช่ของเราความสุขที่เราหาผ่านทางร่างกายก็ไม่ใช่เป็นความสุขพอเรารู้แล้วเราหยุดหาเราก็สบายเมื่อมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องคืนเจ้าของไปเดี๋ยวเจ้าของ ก, ก็มาเอาไปดินน้ำลมไฟก็จะเอาคืนไปความสุขที่เราใช้ ร่างกายหามันก็เป็นมันก็เป็นความทุกข์แล้วก็เลิกหามันเสียเรามาหาความสุขที่เป็นของเราดีกว่าก็คือความสงบอยู่กับความสงบดีกว่ า, าถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะละความอยากได้ละความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ละความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรละความอยากได้ลาบยศสรรเสริญได้ พะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขได้มาแล้วต้องทุกข์เอามาทำไมถ้าเขาให้เราเงินมาล้านหนึ่งบอกว่าให้เงินคุณล้านหนึ่งพอคุณใช้เงินล้านหมดคุณคุณจะต้องถูกฆ่าตายคุณยอมไหมถ้ามีคนเขาเสนออย่างเงี้ยใช่แรกเอาเอา่มให้คุณให้เงินคุณล้านไปใช้พอใช้หมดแล้ว จะต้องถูกฆ่าตายถ้ายังไม่หมดก็ไม่ต้องไม่ยังไม่ตายเอาไหมพอได้มามันก็ถ้าไม่ได้ใช้เอามาทําไมถ้าใช้มันก็ต้องหมดถ้าหมดเราต้องตายเอามาทําไมไม่เอาดีกว่าใช่ไหมแต่เราไม่เห็นว่าเราจะต้องทุกข์กันของที่เราอยากได้นี่ทุกอย่างก็รับประกันมีใบรับประกันว่าต้องทุกข์แน่ๆแต่เราไม่ยอมอ่านกัน เช่อไหมของต่างๆที่เราได้มาเนี่เขามีใบประกันติดอยู่แต่ไม่ยอมอ่านกันว่าของนี้รับประกันว่าต้องทุกข์แน่ๆเพราะว่ามันต้องหมดมันต้องเสียมันต้องเสือ่อมของที่เขาเขียนมารับประกันว่าไม่เสียนี่มันโกหกเราทั้งนั้นอนะ่ะใช่ไหมมีของไหนไม่เสียบั้งซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันก็เสีย เ, เพียงแต่ถ้าเขารับประกันก็หมายความว่าเขาจะซ่อมให้บางทีซ่อมให้ก็ไม่หาย หไห้แม่บงคนซื้อรถมาแล้วซื้อใหม่ๆขับได้ไม่กี่วันก็เสียเอาไปให้ร้านซ่อมซ่อมเดียเด๋ยวเดีๆเอากลับมาวิ่งใหม่ก็เสียอีกทํายังไงก็เสียอยู่เรื่อยจอกนกระทั่งขอเปลี่ยนรถใหม่เขาก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนคนซื้อเลยทุกมาก็ร้อนมาทุบนะเห็นไหมสุขหรือทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงของทุกอย่างมันไม่เที่ยง พวกเราบางทีก็ซว ย, ยมาซื้อของมาใช้ไม่กี่วันเสียซะล้วต้องส่งกลับไปให้ให้เขาซ่อมให้พอซ่อมเสร็จกลับมาใช้ได้ไม่กี่วันก็เสียละเห็นไหมเหมือ น, นไมโครโฟนที่สั่งมานี่สั่งมาได้ไม่กี่วันก็หล่นแตกอส่งให้เขาซ่อมพอซ่อมเสร็จกลับมาเอาเสียงไม่ดังเสียงค่อยอนี่ต้องส่งกลับไปซ่อมใหม่ละนี่ยกตัวอย่างให้ฟังอ ของทุกอย่างมันมันมีใบประกันบอกว่าต้องเสียแน่ๆต้องทุกเนี่ยแน่ถ้าไมา่อยากทุกก็อย่าไปอย่ามาเอาฉันไปนะคนก็เหมือนกันรับประกันถ้ามันอยู่ก็เธอเธอต้องทุกกับฉัน <laughs> มีใครไม่ทุ ก, กันบั้งสามีภรรยาไมไงพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันไงสุขสุขแ้วยทุกกันแนะ่สุขตอนต้นใช่ไหมเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งพอสุขมันหายไปนี่ทุกมันเข้ามาแล้วสิ ไม่ยอมอ่านใบรับประกันกันพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่ชอบอ่านใบรับประกันเห็นอะไรก็ทุกไปหมดเห็นรูปก็ทุกเห็นเสียงก็ทุกเห็นกลิ่นก็ทุกเห็นอะไรทุกไปหมดเห็นลาบก็ทุกเห็นยศก็ทุกเห็นมหมยศเห็นมเนี่ยเป็นนายกมากี่ปีแล้วสี่ปีแล้วเนี่ยทีนี้ก็มาทวงมาเห็นไหมตอนนี้ทุกไม่ทุกอ่ะเพราะมันเป็นแล้วมันไม่ยอมคืนหรอใช่ไหม พอได้อะไรแล้วมันก็อยากใช่ไหมอยากให้เป็นของเราไปเรื่อยๆอยากให้เป็นนายกไปตลอดชีวิตไหมทุกคนมันเป็นอย่างนี้ใชพอได้อะไรมาแล้วมันก็อยากลืมความจริงลืมใบรับประกันเที่เก็เขียนมาว่าอ่าอันนี้เป็นของชั่วกราวนะเดี๋ยวถ้าต้องทุกเนะี่ยถ้าคุณไม่คืนเจ้าของเข้าไปอันนี้เป็นของเหมือนของยืมเข้ามาอถ้าเราคิดว่าทุกอย่างที่เราได้มาเป็นของยืมมานี่เราจะไม่ทุกข์ พอเรารู้ว่าจะต้องคืนเจ้าของไปที่เราทุกข์เพราะเราลืมไม่ยอมมาอ่านใบประกันที่เ็าติดมากับของว่านี่เป็นของยืมของชั่วคราวจะต้องคืนเจ้าของไปในวันใดวันหนึ่งไม่ยอมอ่านกันแล้วก็ไปคิดว่าเป็นของเราพอเจ้าของก็มาทวงคืนก็เลยทุกข์ขึ้นมาเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาร้องหม่ร้องไห้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ สนใจความจริงไม่ดูความจริงเราดูความอยากของเราพออยากแล้วมันจะต้องเป็นของเราจะต้องดีจะต้องอยู่กับเราต้องให้ความสุขกับเราไปตลอดมันจะดูอย่างมันพอมันไม่เป็นตรงกับความอยากของเราเราก็ทุกข์กันเราจึงต้องมาคอยแก้ความอยากกันแก้ความหลงกันแก้ความหลงด้วยการให้รู้ว่า อะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์เราก็หยุดหยุดหามันหยุดสิ่งที่เป็นสุขก็เราต้องหามันให้ได้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้สิ่งที่เป็นสุขก็คือความสงบต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเราได้ความสงบแล้วเราก็จะทิ้งสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นทุกข์ก็ยังทิ้งไม่ได้ เพราะว่าบางทีมันถึงแม้มันจะทุกข์บางทีมันก็ยังสุขอยู่ใช่หไหมมันทุกข์ตอนที่มันหมดนะไอตอนนี้มันมีมันก็ยังสุขอยู่อก็อะไรทิ้งมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีความสุขใหม่ความสุขแท้เราก็จะสิ้างความสุขปลอมได้แต่ตอนนี้เราไม่มีความสุขแท้เราเลยต้องเอาความสุขปลอมไปก่อน เหมือนตอนนี้เราไม่มีแบงแบงแบงแท้ก็ใช้แบงเกยไปก่อนเพอแบงเกยยังพอบางร้านยังเอาไปซื้อของได้อยู่เขาไม่รู้ว่าเป็นแบงเกยเราก็ยังไปซื้อได้อยู่แต่ต่อไปถ้าทุกร้านเขารู้ว่าเราใช้แบงเกยต่อไปเขาก็ไม่รับแบงเราะถ้าเราไม่มีแบงถ้าเรามีแบงที่แบงแท้ความสุขแท้เราก็จะซิ้นแบงปลอมได้ความสุขปลอมได้ดงั้นขั้นต้นนี้เราต้องมา เรียนรู้ก่อนว่าอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์นะแล้วพอรู้แล้วขั้นต่อไปเราก็ไปหาความสุขแท้กันเลิกหาความสุขปลอมกันก่อนที่อยากได้ความสุขแท้นี้ต้องหยุดหาความสุขปลอมไปหาทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้เช่นตอนกลางวันไปหาเงินหาทองไปเที่ยวพอกลับมาบ้านตอนเย็นมานั่งสมาธิมันไม่ได้เรื่องหรอก มันได้แป๊บเดียวนิดเดียวไม่พอไม่ไม่พอที่จะมาเปลี่ยนการหาความสุขแบบเดิมได้แต่อยากจะได้ความสุขแบบใหม่นี้เราต้องหยุดหาความสุขแบบเก่าอย่างน้อยก็ลองเอาวันที่เราไม่ต้องไปหาความสุขแบบเก่าคือวันที่เราไม่ต้องไปทำงานไปหาเงินหาทองไปหาความสุขต่างๆ เราก็เอามาสักวันหนึ่งมาหาความสุขแบบใหม่กันด้วอไปอยู่วัดเขาถึงมีวันพระวันพระนี่เป็นวันที่พระตจาสอนให้พวกเรามาหาความสุขแบบใหม่กันมาวัดมานั่งฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรสุขรู้ว่าอะไรทุกข์แล้วก็ พอรู้แล้วว่าสุขคืออะไรก็ศึกษาดูวิธีหาความสุขแบบใหม่หาอย่างไรพอรู้ว่าต้องใช้สติก็มาฝึกสติกันพุทโธพุทโธกันมาควบคุมความคิดมาหยุดความคิดกันพอนั่งสมาธิหยุดความคิดได้จิตก็สงบความสุขใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาพอเรารู้จักวิธีหาความสุขใหม่เราก็เลิกหาความสุขเก่าได้เอาเวลามา เอาเวลาที่เคยใช้กับการหาความสุขแบบเก่าก็มาหาความสุขแบบใหม่กันอย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้มีความสุขแบบใหม่แล้วเราก็มาสอนใจเราว่าอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากใจเท่านั้นนอกจากความสุขที่เกิดจากความสงบเท่านั้นที่เป็นของเรานอกนั้นไม่ใช่เป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่เป็นของเรา ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆก็ไม่ใช่เป็นของเราถึงแม้เราจะเรียกว่าเป็นของเราก็เป็นการเรียกเฉยๆว่านี่เป็นของเราลูกเราสามีเราภรรยาเราพอถึงเวลาเจ้าของจริงก็มาเอาไปหมดห้ามเขาไม่ได้พอพญามัจจุราชมามาก็เอาไปหมดพญามัจจุราชเป็นคนทวงหนี้ให้กับเจ้าของเก่า แล้ของเก่าคือดินน้ำลมไฟโดยอาศัยพญามัติวราเป็นผู้มาทวงหนี้เหมือนธนาคารก็ไม่มาทวงเองใช่ไหมเขาจ้างบริษัททวงหนี้มาทวงให้เราเขาไม่มีเวลามาทวงหนี้เพราะเขามัวแต่หาเงินหาเงินห า, หาลูกค้าเอาเงินมาฝากธนาคารเขาเลยต้องจ้างคนทําหน้าที่ทวงหนี้ให้มาทวงหนี้ ผู้ที่มาทวงนี้จากเราก็คือพยามัจจุราชนี่คือความตายพอความตายมานี่เขาเอาไปหมดมีอะไรที่เป็นของเรานี้เขาเอาไปหมดเลยเอาไปแล้วก็ไปแจกจ่ายให้คนอื่นต่อไปปล่อยกู้ใหม่เมื่อเราไม่สามารถส่งส่งต้นส่งดอกได้เขาก็ต้องมาเอา ของที่เรากู้มาไปแล้วเขาเอาของนี้ก็ไปปล่อยกู้ใหม่ไปให้ลูกให้หลานของเราต่อให้มันกู้ใหม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาทวงหนี้จากลูกจากหลานเราอีกต่อเ น, นื่งเพราะของทุกอย่างนี้ไม่มีใครเอาไปได้ของที่อยู่ในโลกนี้เป็นของโลกนี้เป็นของดินน้ำลมไฟโลกนี้ทั้งโลกมันทามาจากดินน้ำลมไฟมันไม่ได้ทำมาจากอะไรหรอก แล้วเราก็ต้องไปแต่ไปด้วยความอยากยังอยากได้ลาบยศสระเสริญยังอยากได้รูปเสียงกดลดิ่นรสยังอยากได้ร่างกายเพราะจะได้มีตาหูจมูกนิ้นกายมาเสพรูปเสียงกดลิ่นรสใหม่เราก็ไปรอรับลูกไปรอรับร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอรับถ้ามีมีหนี้ก็ต้องไปใช้หนี้หนี้ก็คือบาปถ้าทำบาปก็ต้องไปใช้หนี้ ถ้ามีบุญก็ไปรับรางวัลรางวัลก็คือสวรรค์ถ้าถ้าเป็นนี่ก็คืออบายต้องไปติดอยู่ในอบายใช้นี่ถ้ามีบุญก็ได้ไปรับรางวัลก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายใหม่ แล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ก็มีเท่านี้แหละชีวิตของพวกเราเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดถ้าเรายังไม่ได้รู้ความจริงว่าความสุขคือความสุขอยู่ที่ไหนความสุขจริงนะ่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรเป็นของเรามีอะไรไม่ได้เป็นของเราอะไรที่ไม่เป็นของเราเราก็อย่าไปเอามา พอเอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปเหมือนของยืมก็มาเอาของที่เป็นของเราไม่มีใครมาทวงไปไม่มีใครมาเอาจากเราไปได้เนี응อก็คือความสงบที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากความสงบนี่แหละเป็นของเราใจนี่แหละเป็นของเราผู้รู้ผู้คิดเนี่ยเป็นของเราเรามาจากผู้รู้ผู้คิดเราอยู่กับผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตาย Learn ผู้รู้ผู้คิดจะมีความสุขก็ต่อเมื่อผู้รู้ผู้คิดอยู่ในความสงบปราศจากตัณหาความอยากต่างๆตอนนี้ผู้รู้ผู้คิดทุกวุ่นวายอยู่ทุกวันเพราะเกิดความหลงเกิดความอยากหลงว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศจัลลเสริญหลงว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะเสพความสุขทางตาหังรูปเสียงกลิ่นลดได้แต่ก็ไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาว่ารูปเสียงกลิ่นลดไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงลาบยศสรเสริญไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมเวลามันหมดนี่เวลานั้นมันก็จะทุกข์กันนีค่คือเรื่องของความหลง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันแก้ปัญหาของเราได้เหมือนกับคนที่ไม่มีโลกนี้ถ้าไม่มีคนคิดว่าทำไมผลไม้มันจึงตกลงมาเราจะไม่มีเครื่องบินเราจะไม่มีจรวดพาเราไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็วอยากจะไปไหนอย่างนี้ไปได้แม้แต่ดาวดวงอื่นยังไปได้เลยดวงจันทร์ยังไปมาแล้วเลยตอนนี้กำลังพุ่งไปที่ดาวอังคารแล้วนะ อันนี้เกิดจากความคิดของคนคนเดียวนะคิดว่าทําไมถึงทุกคนไม่ลอยขึ้นไปทำไมทุกคนถึงติดอยู่บนดินก็เพราะมีแรงดึงดูดดึงให้มันติดอยู่กับดินถ้าอยากจะให้ลอยก็ต้องมีอะไรดึงมันขึ้นไปสิ่งที่จะดึงขึ้นไปก็คือลมเนี่ยหาลมมาหมุนๆเดี๋ยวมันก็พาให้ทุกอย่างลอยขึ้นได้เครื่องบินนี่มันก็อาศัยลมใช่ไหมลมพัดมันถึงจะลอยขึ้นไปได้จรวดก็ต้องอาศัยลมดันขึ้นไป เขาก็ผลิตลมเงินขึ้นมาเครื่องดันเงินเครื่องอก็เลยสามารถทําอะไรได้มากมายอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอเรามีพระพุทธเจ้าคนเดียวเราก็รู้แล้วความสุขจริงอยู่ที่ตรงไหนตอนนี้เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราหลงกันหลงไปหาความทุกข์กันเพราะคิดว่ามันเป็นความสุขกันหลงไปหางูเหา่าคิดว่าเป็นปลาไหลกัน พอไปจับงูเห่าก็ถูกงูเห่ากัดนะพอไปพอมองไม่เป็นเนี่ยแยากแยะไม่เป็นว่างูปลาไหลกับงูเห่าเป็นอย่างไรต้องมีคนที่รู้ว่าอันนี้งูเห่านะอันนี้ปลาไหลนะอันนี้จับได้อันนี้ไปกินได้แต่อันนี้กินไม่ได้นะจับแล้วถูกกัดนะเขาจะเจ้าจะเป็นคนมาบอกว่าอันนี้เป็นความสุขนะอทําบุญทําทานแล้วจะสุขรักษาศีลแล้วจะสุขภาวนาแล้วจะสุขเอ อันนี้เราบป็คนตาบอดเรายังไม่รู้จริงเราอยากจะรู้ก็ต้องเชื่อเชื่อแล้วก็ไปพิสูจน์ไม่ได้ให้เชื่อเฉยเฉยเชื่อแล้วก็ไปพิสูจน์ได้ทําบุญแล้วสุขนุทุกข์รักษาศีลแล้วสุขแล้วทุกข์ภาวนาทําใจให้สงบแล้วสุขแล้วทุกข์เจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสตัดความอยากได้แล้วสุขแล้วทุกข์ลองไปพิสูจน์ดูจะรู้ว่าอ ทุกคําพูดของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทั้งนั้นความสุขพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นอย่างไรความทุกข์พระพุทธเจ้าก็บอกลาบยศสรละเสริญมันทุกข์นะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะนี่มันทุกข์นะอย่าไปยุ่งเนี่ยนี่คืองูเหา่านปลาไหลยก็คือการทําบุญทําทานการรักษาศีลการภาวนาจับมาได้เอามาต้มเอามาแกงได้มันไม่กัดเราจับปลาหลยมาทําแกงได้แต่อย่าไปจับงูเหา่า จางูเหา่าดนมันกัดก่อนที่จะเอามันเข้าหม้อแกงมันกัดเราซะก่อนองูเห่าก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิล่นรสผลถะพระบาไหลยก็คือการทําบุญทําทานการรักษาศีลการภาวนาเพื่อทําใจให้สงบการทําบุญก็ทําให้ใจสงบในระดับหนึ่งการรักษาศีลก็ทําใจให้สงบเพิ่มมากขึ้นการภาวนาก็จะทําให้ใจสงบอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ส่งค้นพบวิธีหาความสุขที่แท้จริงผู้รู้ว่าอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์ก็สอนให้เราเลิกหาความทุกข์กันอะไรที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้เลิกอย่าไปหาให้ละลาบยศสรรเสริญล ะ, ละรูปเสียงกลิ่นรสพระพุทธเจ้าทําเป็นตัวอย่างด้วยไม่ใช่พูดเฉย ไม่เหมือนสมัยนี้มีวันก่อนมีคนเขาเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งอสอนให้ลูกศิษย์อยู่สมาธิเรียบง่ายแต่ตัวพระเองอยู่แบบหรูหราฟุ่มเฟือยแล้วก็บอกว่านี่เป็นเพียงกิริยาไอ้ออนี่มันโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้กิริยาแบบนั้นพระพุทธเจ้าเคยอยู่ในวังถ้าท่านเป็นกิริยาท่านก็กลับไปอยู่ในวังเลยนะมั้ยถ้าไม่กลับไปแล้ว เพราะถ้าร่ว่มันทุกข์คนที่อยู่แบบนี้แล้วบอกว่ามันเป็นกิริยา ม, มันหลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงชาวบ้านด้วยตัว่ามันเองก็ทุกข์แต่ไม่รู้ว่ามันทุกข์เพราะยังหลงอยู่ยังหลงไหลกับการหาความสุขจากสิ่งฟุ่งเฟยดูหลาต่างๆพระพุทธเจ้าสอนยังไงทําอย่างนั้นนี่แหละคือครูอาจารย์ที่แท้จริง ไม่ใช่สอนอย่างเดียวเหมือนพ่อแม่ปูสอนลูกปูสอนให้ลูกเดินตรงๆ ต, ต, ตัวแม่ก็เฉไปเฉยมาแล้วบอกอย่าทําตามตัวอย่างแม่นะทําตามที่แม่พูดอย่าทําตามที่แม่ทำนไม่เป็นไปไม่ได้หรอกกูก็สอนลูกศิษย์ว่ลูกศิษย์ทําตามที่เราสอนนะแต่อย่าทําตามที่เราทํำนะเราชอบเที่ยวเราชอบอยู่แบบดูหนะเธออย่าทําแบบนี้นะอันนี้เป็นกิริยาไม่ไม่ใช่หรอก เพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านี้พูดจริงทำจริงพูดอย่างไรทำอย่างนั้นสอนอย่างไรทำอย่างนั้นมั่นใจได้แล้วก็มีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าและเป็นผู้มารับรองมายืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้พูดจริงทำจริงเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วไม่ผิดหวังเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะมีแต่ความสุข เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะศึกษากันศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของปลอมอะไรคือความสุขจริงอะไรคือความสุขปลอมอะไรเป็นของเราอะไรไม่ได้เป็นของเราอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยง มีสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นของเรามีอยู่แต่ไม่ใช่อยู่ในโลกนี้อยู่ในใจเราของที่เที่ยงของที่สุขของที่เป็นของเรานี้อยู่ในใจเราของนี้ไม่มีใครที่จะมาพากจากเราไปได้แต่ของที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่ว่าพอ่พอพ่อแม่หรือลูกเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกัน แต่ความสงบที่อยู่ในใจนี้ไม่มีวันที่จะจากใจไปได้ใจก็ไม่มีวันที่จะจากเราไปได้เพราะเรามันอยู่ติดกับใจเราเป็นเหมือนเงาของใจใจเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาใจเป็นผู้คิดเราขึ้นมาพอคิดว่าเราก็เป็นเราขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ตัวนี้มันจะไม่มีวันที่จะหายไปไม่มีวันหมดไปด้วยอันนี้แหละเป็นของเราที่แท้จริงนะ อันนี้ขอให้เราศึกษาฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ให้เข้าใจให้รู้ว่าอะไรคือความสุขแท้อะไรคือความสุขปลอมอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่เป็นของเราอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงแค่นี้พอให้รู้แค่สามอย่างนี้รู้ว่าอะไรเที่ยงไม่เที่ยงรู้ว่าอะไรเป็นของเราไม่เป็นของเรารู้ว่าอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์รู้แค่นี้แล้วรับรองได้ว่า เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะถ้าเรารู้ว่ามันทุกข์เราก็จะไม่ไปเข้าหามันไม่ไปยุ่งกับมันถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นความสุขเราก็จะเข้าไปหาความสุขเราก็จะได้ความสุขแต่ตอนนี้เราเห็นกลับตาลัปัดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นโน้สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขส่วนเห็นสิ่งที่เป็นสุขกบเห็นว่าเป็นทุกข์เนมจะทำบุญแต่ละครั้งยากเย็นไหมจะรักษาศีลแต่ละครั้งยากเย็นไหม แตภาวนาแต่ละครั้งยากเหลือเกินรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินแต่เวลาไปเที่ยวนี่โอ้โหมันรู้สึกว่ามันสุขเหลือเกินง่ายเหลือเกินเพราะเราไปคิดว่ามันเป็นสุขเวลาทําบุญนี่ทุกข์เพราะต้องเสียเงินเสียแล้วไม่ได้อะไรเสียเปล่าๆไม่เหมือนเอาเงินไปเที่ยวเที่ยวแล้วสนุกได้ความสนุกแต่ทําบุญแล้วไม่ได้ความสนุกเลยเสียเงินเปล่าๆก็เลยไม่อยากจะทํำกันไม่อยากจะรักษาศีลกันไม่อยากจะภาวนากัน ภาวนาะกว่าจะได้ใจสงบนี้ลิ้นแทบพ้อยไ mm. กว่าจะพูดโทรไม่รู้ต้องพูดโทรกี่แสนคำกว่ามันจะสงบได้ต้องพยายามของดีมันต้องยากของไม่ดีมันง่ายแต่อยากจะของง่ายก็จะเจอแต่ของไม่ดีแต่อยากจะเจอของดีมันต้องยากมันต้องมันต้องลำบากถึงจะได้ของดี ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวันกว่าจะได้ของดีเนี่ยเราอดข้าวเย็นมื้อเดียวยังจะตายอยู่แล้วแล้วมันจะไปได้ของดียังไงมันก็จะได้แต่ของไม่ดีได้ข้าวเย็นกินเท่านั้นเองแล้วเป็นยังไงข้าวเย็นมันทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าเราหยุดข้าวเย็นดูเสร็จแล้วเดี๋อต่อไปก็หยุดหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะอันนี้คือเรื่องของ ความหลงที่เราต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้มาแก้ให้เราต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเราจะได้รู้ว่าความสุขแท้อยู่ตรงไหนอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขอะไรเป็นของเราอะไรไม่ใช่เป็นของเราอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงแล้วเราจะได้ทําในสิ่งที่ถูก แล้วเราก็จะได้ของดีได้ความสุขได้ของแท้ของที่เที่ยงของที่เป็นของเราไปตลอดอารณนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินงังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิิตังปะติตังตุมหังคิพมะเมวาสมิตชะโตสะเภปุระยนโตสังกปาจันโทมนาราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพีติโยวิวัจฉันตุสัพพารโควินัสตุ มาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลงมีเรื่องอยากจะแจ้งให้ท่านที่มาทีหลังทราบ เวลาเริ่มแสดงทำแล้วถ้าท่านมาที่หลังขอความกรุณาอา่านั่งอยู่ที่รอบนอกอยาขึ้นมาที่ศาลาเพราะมันจะมารบกวนนะถ้าจะมานั่งศาลานี้ต้องมาก่อนการแสดงถ้าเวลาเริ่มแสดงแล้วต้องรอก่อนอนั่งข้างนอกก่อนเพราะเวลาขึ้นมาแล้วมันทำให้คนแสดงนี้มันถูกรบกวน มันจะทำให้ขาดตอนเวลาแสดงไปเวลาถ้าไม่ได้แสดงเข้ามาได้แต่เวลาแสดงธรรมถ้าเรามาที่หลังนั่งข้างนอกกันก็ได้มีลำโพงมีเสียงได้ยินเหมือนกันไว้รอของที่จะถวายเดี๋ยวแสดงธรรมเสร็จแล้วก็จะถวายได้เอาแล้วนะตอนนี้ใครมาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาถวายได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็มาหยิบไปได้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะวันนี้ทางเฟ e บ o o k 424ย t u b บ137วิทยุ33ผู้รับชมผู้รับฟังบนเขา32รวมทั้งสิ้น626เจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครอยากจะถามเดี๋ยวยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ ถ้ายังไม่มีก็จะเอาคำถามจากทางบ้านก่อนผู้ที่ติดตามทางบ้านเขาก็ส่งข้อความเข้ามาสดทันทีส่งมาก็ขึ้นมาเลยอ่านได้เลยค่ะคำถามแรกจากทาง YouTube ค่ะจากคุณแพทย์ค่ะเรียนสอบถามค่ะว่าการเจริญเมตตาอัปมัญญาหรือเมตตาที่ไม่มีประมาณทำอย่างไรคะก็คือมีเท่าไหร่ก็ให้หมดเลยไง ไม่ประมาณใครเดือดร้อนอะไรใครต้องการความช่วยเหลือเรามีเราก็ให้เขาไปช่วยเหลือเขาไปไม่มีไม่มีโคตา้าไม่มีลิมิตนะคือช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยเต็มที่เลยเรียกว่าแล้วก็ไม่เลือกใครเดือดร้อนใครต้องการความช่ชวยเหลือก็ช่วยเขาไปอันนี้ก็เมตตาแบบไม่มีประมาณไม่ได้เลือกช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ ใครเดือดร้อนแบบพระเวชสันดร อ, อย่างเนี้ยช่วยแบบพระเวชสันดรเรียกว่าเมตตาแบบไม่มีขอบเขตคําถามข้อต่อไปจากคุณทัศนีค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันนั่งสมาธิสังเกตว่าลมหายใจเข้าสั้นกว่าลมหายใจออกค่ะที่พระอาจารย์พูดว่าอย่าบังคับลมเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่ากําลังบังคับลมค่ะ ดิชันบริกรรมพุทโธพร้อมกับดูลมด้วยค่ะกราบสาธุค่ะก็ถ้าดูไปเฉยๆก็ไม่ได้บังคับบังคับมันต้องบอกอืดก็าบบอืดออกมาอย่างนี้ถึงเรื่องบังคับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันหายใจของมันเองนี่ไม่ได้บังคับนะก็ปล่อยมันหายใจสั้นยาวก็แล้วแต่มันให้รู้เฉยๆเรามีหน้าที่ดูหน้าที่เฝ้าดูก็ดูไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราไม่มีงานทําเดี๋ยวเราก็อดที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้แต่พอเรามีงานคืองานเฝ้าดูลมเราก็จะไปคิดไม่ได้เพราะเราคิดเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้ลมเข้าหรือลมออกอย่างนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราบังคับหรือไม่บังคับก็มันน่าจะรู้ละ่ะลมของเราเองมันจะไม่รู้เวลากั้นลมเนี่บังคับละเวลาหายใจเข้าแล้วไม่ให้มันหายใจออกอย่างนี้ก็เรียกว่าบังคับละ ใช้เวลาเดินผ่านที่ไหนกลิ่นเหม็นอย่างนี้ก็บังคับไม่ให้มันหายใจใช่ไหมไม่อยากจะล่นไม่อยากจะดูดเข้าไปกลินไม่ดีอันนี้เรียกวบังคับล่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันหายใจเข้าหายใจออกเองนี่เราไม่ได้บังคับมั น, นคุณทัศนีถามต่อค่ะเมื่อวานดิฉันนั่งสมาธิอยู่ดีๆจิตไปอยู่ที่หน้าผาก ปวดหน้าผากมากเหมือนมีพลังมากระจุกอยู่ที่หน้าผากมากค่ะทั้งที่ไม่ได้กำหนดฐานจิตไว้ที่หน้าผากมันตุบๆ ต, ต, ตรงหน้ากลางหน้าผากปวดจนเลิกทาสมาธิเกิดขึ้นเพราะเหตุใดคะเพราะเราไม่อยู่กับที่เรากำหนดเนี่ยเราไม่อยู่กับที่ลมหายใจพอไม่อยู่กับลมหายใจจิตมันก็เริ่มผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมามาหลอกเราความรู้สึกต่างๆ แล้วเราไปให้ความสนใจกับความรู้สึกนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปงั้นเราต้องกลับมาอยู่ที่ลมถ้าเราใช้ลมเป็นที่ตั้งของจิตแล้วก็ต้องอยู่ที่นั่นไปอย่าปล่อยให้มันไปที่อื่นคำถามข้อต่อไปจากคุณสุริยาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะ ที่วันก่อนคุณแม่ชีบอกว่าเรื่องการปฏิบัติไม่เกิน7วันไม่เกินเจเดือนหรือบางทีไม่เกิน7ปีคืออะไรคะช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะอ๋อ น, นี้อยู่ในพระสูตรสติปัฏฐานสูตรถ้าอยากจะดูต้นต้นเรื่องต้องไปอ่านที่สติปัฏฐานสูตรลองใส่สติปัฏฐานสูตรเข้าไปใน Google แล้วก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วคารับประกันนี้อยู่ที่ตอนท้ายของพระสูตรพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสติฝึกปัญญาเพื่อให้เราปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตถ้าเราปล่อยได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนได้พระพุทธเจ้ารับประกันว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีจะต้องสําเร็จเกิดบรรลุเป็นพระอหรหันต์อ หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือบางคนก็เจ็ดวันบางคนขยันบางคนฉลาดมีความขยันมากมีความฉลาดมากก็บรรลุเร็วคนที่มีความขยันน้อยมีความฉลาดน้อยก็บรรลุช้าอาจจะเป็นเจ็ดเดือนบ้างอาจจะเป็นเจ็ดปีบ้างอาจจะเป็นเจ็ดชาติบ้าง พระโสดาบันก็เจ็ดชาติก็ยังาาดีดีกว่าเป็นเจ็ดกลับ <c oughs> ใช่ครูบาอาจารย์บางรูปเนี่ยท่านหลวงปู่มานี่ท่านมาบรรลุตอนที่ท่านอายุหกสิบเน่ยแล้ ว, ล ว, ล ว, ล ว, ลวอันนี้มันต้องแบบต้องมีบุญเก่ามามากเลยคะยความขยันน่ <c oughs> บุญเก่าน่ะคือบุญความขยันแล้วก็ปัญญาคือรู้จักวิธีปฏิบัติ ก็ น, น, นี่แหละห ล, ลักสูตร intensive แต่ถ้าเราไม่ intensive มันก็ไม่ได้เจ็ดปีมันก็ได้ยี่สิบปีกูบาบางบางรูปท่านปฏิบัติเป็นพักๆแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปทํากิจอย่างอื่นไปสร้างวาดัดไปอไปทํปาภาป่าทํากระถิ่นมันก็ไม่ intensive บางทีวันไม่ไมีจริงเ<ะ>หรอครับอาจารย์ยังว่าจะเจ็ดวันเลย เพียงแค่ปงผมนี่ก็บรรลุได้ก็มีไม่มีใครไปทำสิทธิติเราจะไปอะไรวะก็ไม่เป็นไรขอให้มันบรรลุก็แล้วกันดีก็ไม่รู้ช้าช้าหน่อยเร็วหน่อยมันแล้วแต่ความความกรยันความสามารถไม่เหมือนกันของแต่ละคน แต่รับรองมุตจรรับรองว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ไม่ปลอมหลักสูตรที่ผู้ปฏิบัติจะได้บรรลุผลอย่างแน่นอนค่ อ, อคำถามข้อต่อไปจากคุณยุพดีค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการนั่งสมาธิจำเป็นไหมคะที่ต้องขอกรรมฐานก่อนนั่ง บางทีขนาดสวดมนต์จิตสงบก็เลยนั่งสมาธิไปทันทีเลยจิตดิ่งเข้าถึงพระกรรมฐานดีทีเดียวเจ้าคะ่ะทำแบบนี้แล้วจิตไม่ส่ายเป็นการทำผิดวิธีหรือเปล่าเจ้าคะคือเราไม่เข้าใจคำว่ากรรมฐานว่าเป็นอะไรกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราใช้กำกับจิตให้มันเข้าสู่ความสงบนะมีอยู่4ี่สชนิดด้วยกันเช่นอาณาปนาสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง คือการดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทธานุสติก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องไปรับกรรมฐานจากผู้รู้ไปหาอาจารย์ที่ท่านรู้กรรมฐานแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นสายหลวงปู่มั่นท่านก็สอนพุทโธพุทโธหรืออนาปานาสติให้ดูลมหายใจเข้าออกหลวงพ่อเทียนท่านก็ให้ไปดูไปดูดูมือของท่าน ไอ้ดูมือมือมือขยับก็รู้ว่ากําลังขยับอย่างเงี้ยี่แล้วแต่อาจารย์แต่ละองค์ท่านมีกรรมฐานที่ใช้กับการทําใจให้สงบไม่เหมือนกันบางวัดก็ให้สัมมา阿拉หังเอันนี้ก็กรรมฐานอย่างหนึง่งบางวัดก็ให้ใช้ยุบหนอพองหนออันนี้ก็กรรมฐานอีกอย่างหนึง่งบางยักษบางวัดก็ให้นึกถึงลูกแก้วใสๆอยู่กลางอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างนึง งั้นถ้าเราอยากจะได้กรรมฐานแบบไหนเราก็ต้องไปหาจากคนที่เขาสอนเขาสอนแบบไหนเราชอบลูกแก้วเราก็ไปหาที่เขาสอนลูกแก้วเราชอบยุบหนอพองหนอเราก็ไปหายุบหนอพองหนอหรือว่าเราจะค้นหาเองลองเองก็ได้อ่านเนี่ยใส่ g o เ g l e เข้าไปกรรมฐานสี่สิบมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกเอาอนุสติก็มีอยู่สิบ เช่นสังฆพุทธานุสติก็เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็เราลิกถึงพระธรรมคําสอนสังขานุสติก็เระเลิกถึงพระสงฆ์ด้วยการสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังคุลก็ได้หรือด้วยการบริกรรมพุทโทธโทธรรมโมสังโฆก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ใจเราสงบได้ใจเรามันอยู่เฉยๆมันไม่สงบเนยะเราจึงต้องใช้กรรมฐานดึงใจเข้ามา กรรมฐานเนี่ยคือเชือกที่จะดึงใจที่ชอบออกไปหาขนมหารูปเสียงกิ่นรสเนี่ยหากาแฟเนี่ยให้มันดึงกลับเข้ามาแทนที่จะท่องกาแฟกาแฟกาแฟขนมขนมกายมันท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธเ อ, อเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้ามาถ้าท่องกาแฟกาแฟเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่สตาร์บัคสนู่นะใช่ไหมเราคิดถึงกาแฟเดี๋ยวมันไปแล้วนี่คือเรื่องกรรมฐาน ต้องต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้กรรมฐานแบบไหนต้องรู้ว่าวิธีใช้กรรมฐานแบบนั้นใช้อย่างไรก็ต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาสอนพอเรารู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปขอทุกครั้งพอรู้รู้แล้วว่าวิธการใช้กรรมฐานแบบนี้ใช่ไงเราก็สามารถใช้ได้เลยจะสวดมนตน์ก่อนก็ได้ไม่สวดมนต์ก่อนก็ได้แล้วแต่ การสวดมนต์ก็ดีอย่างถ้าใจเราฟุ้งไม่ยอมเข้าหากรรมฐานก็ต้องใช้การสวดมนต์ตะล่อมมันเข้ามาก่อนถ้ามันคิดถึงกาแฟกาแฟขนมขน ม, ก, นมก็สวดมนต์ไปก่อนให้มันคิดพุดโทโธพุโทโธมไม่ยอมคิดมันจะคิดแต่ขนมขนมก็ต้องใช้การสวดมนต์ก่อนพอสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันก็ลืมเนื่องขนมเนื่องกาแฟมันก็จะเข้ามาสู่กรรมฐานได้ต่อไป คำถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะกลับนมัศ ก, การพระอาจารย์ค่ะเวลาสวดมนต์โยมจะมองภาพพระสมเด็จองประทมแล้วเห็นด้วยตาเปล่าเป็นความสว่างขาวบางทีก็ขาวหนาทึบค่ะจะเห็นสิ่งรอบรอบตัวไม่มีสีพอบปกคลุมทึบด้วยสีขาวทั้งหมดสัก3ามเมตรรอบรอบตัวค่ะพระอาจารย์มีข้อแนะนำในการปฏิบัติไหมคะมีทาผิดไงทำไม่ถูก เวลาสวนมนตก็ต้องอยู่กับบทสวดมนต์อย่าไปอยู่กับอย่างอื่นอย่างนั้นใจจะไม่สงบใจมันก็จะถูกหลอกให้ไปตามลิมิตตามรูปตามอะไรต่างๆแล้วมันจะไม่มีวันสงบมันจะไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบว่าเป็นอย่างไร ถ้าอยากให้ใจสงบต้องอยู่กับบทส่วนมนถ้าเราสวดมนก็อยู่กับสวดมนถ้าเราพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธถ้าเราดูลมก็ดูลมอย่าส่งให้จิตไปที่อื่นอย่างเมื่อกี้มีโยมคนหนึ่งบอกว่าดูลมแล้วไปจิตไปโผลที่หน้าผากแล้วก็ไปรู้สึวกว่ามันเจ็บตรงนั้นจกกนกระทั่งทนไม่ไหวนั่งไม่ได้ต่อไปด <Yeah. S 1> ะงนั้นต้องอยู่กับลมอยู่กับกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเลือกเป็นเป็นผู้ที่จะดึงใจเราเข้าสู่ความสงบ การนั่งสมาธิเราไม่ต้องการรู้การเห็นอะไรทั้งนั้นต้องการความสงบต้องการความสุขแต่บางทีมันก็ห้ามไม่ได้ที่มีอะไรมาปรากฏให้เรารู้ให้เราเห็นอยากไปสนใจเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าไปสนใจเราก็หลงทางแทนที่จะไปกับลมเราก็ไปกับไอภาพหรืออะไรที่มาปรากฏก็เลยไม่สงบ ดีไม่ดีก็สติแตกเป็นบ้าไปก็ไม่ไปเจอภาพที่น้าว่าหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวขึ้นมาต่อไปก็ไม่กล้านั่งแล้วนี่คำถามข้อต่อไปจากทางไลน์จากดรเจมส์ค่ะเมื่อนั่งสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสังขารร่างกายที่เราพิจารณาไม่ใช่สิ่งที่เรานึกคิดเองแต่หากเกิดจากสมาธิการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้น อไม่เกี่ยวสังขารร่างกายมันไม่เกิดจากสมาธิเป็นคนละเรื่องกันการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบอยากจะรู้ว่าร่างกายเป็นอะไรเราต้องศึกษาเหมือนเราไปเรียนวิชาไบโอโลยหรือ anatomy อย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าร่างกายนี้มันมาจากไหนมันเกิดจากอะไรมันเป็นอะไรมันทำจากอะไรเนี่ยมันต้องใช้การเรียน พิจารณาเรียกว่าเป็นการเรียนการศึกษาแต่วลานั่งสมาธิเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาเป็นวิธีที่เราจะทําจิตให้สงบมันคนละเรื่องกันกนละวิชากันพูดง่ายๆพวกเรามันชอบเอามาปนกันเลยสับสนเลยไม่ได้เลยสักอย่างความสงบก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้เพราะมันทําไม่ถูกหลักของการปฏิบัติเนีย่ยฉั้นถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ขั้นต้นต้องได้สมาธิก่อน เพราะถ้าไม่ได้สมาธิจะไม่มีกําลังที่จะพิจารณาปัญญาได้นานๆจนสามารถเห็นตามความเป็นจริงได้เพราะใจที่ไม่สงบจะมีโมหะความหลงคอยมาหลอกอยู่เรื่อยๆว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าทําใจให้สงบเนี่ความหลงมันจะสงบตัวชั่วข่าว ม, มันจะทําให้เราสามารถพิจารณาตามความเป็นจริงได้พอเราเห็นว่าอะไรไม่ใช่เราต่อไปเราก็จะได้ตัดมันได้ คำถามข้อต่อไปจากคุณชนิตาค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันมีเรื่องจะขอเรียนคำแนะนำเรื่องร่างทรงเจ้าเมื่ออาทิตย์ดิฉันตามเพื่อนไปหาร่างทรงเจ้าซึ่งร่างทรงเจ้าบอกว่าเป็นร่างทรงของรอห้าซึ่งร่างทรงมาทักดิฉันเป็นไปในทางที่ไม่ดีซึ่งดิฉันไม่เชื่อแต่กลับโดนเพื่อนด่าว่าลบหลู่ด่าว่าลบหลู่สมเด็จพ่อรอห้าบอกว่าดิฉันบาป บ้างจะมีอันเป็นไปบ้างการที่เราไม่เชื่อผู้ที่ไม่มีศีลสมาธิและปัญญาตรงนี้เราบาปด้วยหรือเจ้าคะไม่บาปหรอกพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอย่าไปเชื่อใข่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นรอห้าจริงก็อลองถามสิท่านเป็นรอห้าเลย <c oughs> แอบอ้างกันทั้งนั้นะแอบอ้างรอห้ามาหากินใช่ไหมงั้น <c oughs> พพุทธเจ้าบอกสิ่งใดที่เขาบอก ถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามที่เขาพูดก็อย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ก็ไม่ต้องปฏิเสธเขาจะว่าเป็นยังไงแล้วก็เออค่ะค่ะครับผมไปฟังไปตามที่เขาพูดส่วนจะเชื่อไม่เชื่อนี่มันเป็นสิทธิของเราเราต้องพิสูจน์ก่อนมันคนก้าแบงค์มาให้เราเนี่ยเอาไปให้วันนี้ใจดีให้คุณสักหมื่นหนึ่งคุณจะเชื่อหรือเปล่าคุณยังไม่แน่ใจคุณก็้าแบงค์นี้ไปที่ธนาคารก่อนไงถามว่านี่เป็นแบงค์เกอหรือ แ, แบงค์งจริงเออ ถ้ารู้ว่าเป็นแบงก์จริงเอาหน้าเชื่อถือคนนี้เ อ, อถ้าเป็นแบงก์เกย์จะรู้ว่ากูถูกหลอกอีกแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> มันต้องพิสูจน์ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เชื่อตามที่เขาพูดเราจะไปรู้หรือเขาของจริงหรือของปลอมมาให้เราเออแม้สมัยนี้บางทีคนมาขอให้ความให้ช่วยเหลือก็ <c oughs> บางทีก็ต้องไปติดตามดูก่อนสอบตามที่เขามาบอกว่าเขาอยากจะช่วยอยากจะได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะเขาเดือดร้อน ก็ต้องตามไปดูสถานที่หรือสิ่งที่เขาขาดแคลนว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าถ้ามาฟังแต่เขาพูดแล้วเชื่อเขาให้เงินเขาไปเหยีย็เขาจบเท่า น, นั้นเนี่ยใช่ไหมไม่รู้ว่าเขามาหลอกเรารู้เปล่าเขาอาจจะพูดจริงก็ได้เขาอาจจะไม่พูดจริงก็ได้เราจะไปรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ไปพิสูจน์ด้วยตาของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ก่อนเวลาใครมาพูดอะไรนอกจากคนที่น่าเชื่อถือได้จริงๆที่เรารู้จักมานานแล้วทุกเราเชื่อว่าเขาพูดจริง ทุกประการนี้ก็เชื่อได้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะพอก็เชื่อบ่อยๆมันก็อาจจะมาหลอกเราได้เั้นอย่าเชื่อออย่าเชื่อดีกว่าเพราะบางทีเขาจะหวานหวานหวานอะไรหวานเมล็ดเพื่อหวังผลนตอนต้นก็ทําให้เราเชื่อจริงทุกอย่างพอเขารู้ว่าเราเชื่อนะทีนี้ก็เอาของใหญ่ไปแล้วเนี่ขอยืมเพชรไปใช้เถอะหน่อยพอได้เพชรแล้วก็หายหัวเลย คำถามข้อต่อไปจากทาง youtube คุณชาเบลค่ะกลับน้มัศการเจ้าค่ะการวิตกวิจารณ์ขนาดนั่งสมาธิคืออะไรเจ้าคะวิตกวิจารณ์แปลว่าตรึ ก, กตรองตึกรึกแปลว่าอะไรตรึกก็แปลว่านึกตรองก็คิดเนี่ยนึกคิดตรึกตรองวิภาควิจารณ์วิตกวิจารณคือเวลาเรานั่งเราจะต้องตรึกเราต้องนึกถึงลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็คิดว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออก อันนี้เรียกว่าเรามีตึกต้องแต่วิตกวิจารณในเรื่องเดียวไม่ใช่วิจกวิจารณ์อย่างที่เราวิจกวิจารณ์ยังคิดมันไปทั่วเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกอันนั้นไม่ใช่วิตกวิจารณในการเข้าฌานการเข้าฌานนี่จะวิจกวิจารณ์อยู่กับเรื่องเดียวอถ้าพุทโธก็วิจกว่าตอนนี้เราพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้ารู้ถ้าพุทโธถ้ารู้ว่าเรากําลังพุทโธก็แสดงว่าเราตองแล้วตึกตองเนี่ย เราอยู่กับพุโทโธหรือเปล่ากําลังพุโทโธอยู่หรือเปล่านี้ก็เรียวกว่ากำลังตึกตองหรือถ้าดูลมหายใจก็กําลังดูว่าลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่กับเรื่องเดียวมันก็เป็นฌานมันก็จะสงบแต่ถ้าไปตึกตองเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องธุรกิจนี่มันมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะมันหลายเรื่องด้วยกันมันตึกตึกตองอยู่กับธรรมฐาน น, น กรรมฐานสี่สิบเนี่ยองใดองหนึ่งจะทำให้ใจเราสงบต้องตึกต้องตองเนี่ยเราจะไม่รู้เนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมค่ะคำถามจากคุณฟ้าค่ะการที่เราทุกใจจากเรื่องการช่วยเหลือมารดาเราควรปฏิบัติเช่นไรคะเราเราทำใจเราไม่ถูกไงเราทุกพะเราทำ ต, ตามความอยากของเราอยากให้มารดาทำอย่างนั้นอย่างนี้พอมารดาไม่ทาเราก็ทุก เรืออยากให้มารดาหายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่หายเราก็ทุกข์งั้นเราอย่าทาอะไรด้วยความอยากความอยากจะทําให้เราทุกข์เราทําตามหน้าที่ทําตามเหตุตามผลต้องดูแลมารดาก็ดูแลไปต้องป้อนก็ป้อนต้องให้ยาก็ให้ยาต้องพาไปหาหมอก็พาไปทาอะไรตามหน้าที่ส่วนมารดาจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของมารดาเรื่องของผลที่เกิดจากการกระทาเหล่านี้ ท้านั้นแล้วเราก็จะไม่ทุกข์คำถามข้อต่อไปจากคุณสิริค่ะดวงจิตที่ไปเกิดตามหลักของปฏิจจสมุปบาทไม่มีสัญญาหรือคะเห็นมีเวทนามีสังขารไปแต่ไม่มีสัญญาหรือว่าติดไปกับอะไรคะมันไปด้วยกันอนะ่ะมันเป็นพวงนดวงจิตนี้มันมีนามขันไปด้วยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาแต่บางทีมันไม่ทาหน้าที่ มันไม่ถึงเวลาไม่มีงานให้มันทํามันก็อยู่เฉยๆสัญญามันจะทําได้ก็แต่เมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้มันสัมผัสรับรูบ้มันจะได้ทําหน้าที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นอะไรพอรู้ว่าเป็นอะไรก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาแพอเกิดสุขเกิดทุกข์สังขารก็เข้ามาทําหน้าที่ต่อถ้าสุขก็ทํำยังไงดีก็คิดปรุงแต่งไปถ้าทุกข์ทำยังไงดีก็คิดปรุงแต่งไป มันไปทั้งพวงแต่มันมันอาจจะไม่ทำงานเพราะไม่มีงานให้มันทำเวลาจิตสงบนี้มันไม่ทำงานเลยทั้งสี่ตัวนี้มีแต่ตัวจิตตัวรู้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นที่รู้อยู่อย่างเดียวแต่ตอนที่เราตรดตรอง น, นี้สังขารกับสัญญาทำงานอยู่สัญญาก็คือตัวตรดกสังขารก็คือตัวตรองอแต่พอจิตรวมเป็นอุเบกขาแล้วมันก็หยุดทางาน คำ ถ, ถามข้อต่อไปจากคุณโอเบลค่ะภาวนาพุโทโธอย่างไรให้ใจสงบครับต้องท่องเร็วๆหรือกําหนดตามลมหายใจครับได้ทั้งนั้นเน่ยแล้วแต่เราจะชอบชอบแบบไหนทําแบบไหนก็เอาแบบนั้นพุโทโธโดยไม่ต้องมีลมก็ได้พุโทโธกับลมก็ได้พุโทโธช้าก็ได้พุโทโธเร็วก็ได้ถ้าจะเร็วช้านี่มันไปขึ้นกับลมไม่ได้เพราะลมมันไม่ช้าไม่เร็วลมมันก็อยู่ของมันไปอย่างนั้น ถ้าเราไปผูกติดกับลมแล้วเราอยากจะเร็วมันก็เร็วไม่ได้อยากใช้มันช้ากว่าลมก็ช้าไม่ได้ถ้าเราอยากจะช้าเร็วเราก็อย่าไปเอาลมเอาพุทโธอย่างเดียววัไหนจิตมันฟุ้งมันก็พุทโธให้มันเร็วขึ้นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปวัไหนจิตไม่ฟุ้งแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธตามสบายไม่ต้องใช้ลมไปกากับด้วย แต่ถ้าเราอยากจะใช้ลมเราก็ต้องไปกับลมลมเข้าก็พูดลมออกก็โทรคำถามข้อต่อไปค่ะลูกสาวเรียนอยู่ม .5 จับได้ขโมยเงินไปหลายพันเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วดูคอนเสิร์ตเกาหลีกระผมควรทำอย่างไรดีครับตอนนี้ทุกเกิดมากครับเป็นห่วงอนาคตลูกสาวครับอ๋อก็สอนว่านี่ทำไม่ถูกแล้วต้องลงโทษตัดข้างขนมเอามาใช้เงินที่ขโมยไป เช่นให้เขาอาทิตย์ละสองร้อยก็ตัดซะห้าสิบหลือห้าสิบแล้วก็เอาเอากงิ น, น้าสิบนี้ทุกอาทิตย์มาจนกว่าจะครบเงินที่เขาขโมยไปมันต้องมีบทลงโทษอย่างนี้นมันไม่เข็ดไม่จําเอำแต่จะไปตัดมันบวชก็ไม่ได้เพราะมันต้องไปเรียนต้องไปใช้ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่เราก็ให้มันใช้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นส่วนเกินนี้ก็เอามาหักหักหนี้แล้วสอนว่าต่อไปไม่ควรทํา นี่ทำกับพ่อแม่ไม่ไ ม, ไม่ถูกติดคุกติดตารางถ้าไปทำกับคนอื่นเดี๋ยวเขาไปแจ้งความตำรวจจะจับเข้าคุกเข้าตารางได้ก็สอนเขาได้เท่านี้อย่างน้อยเขารู้ว่ารู้เหตุรู้ผลว่าทำอย่างนี้แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นมาต่อไปเขาก็อาจจะมีความระวัตระวังมีความกลัวในการจะทาผิดก็ได้ถ้าเขากลัวก็เป็นโชคของเขาไปถ้าก็ยังไม่กลัวก็ยัง ก็ยังอยากจะทำต่ออันนี้เราก็ห้ามก็ไม่ได้นะเพราะว่าต่อไปเขาก็ต้องอยู่ของเขาเองเขาต้องเป็นตัวของเขาเองเราเป็นเพียงแต่ผู้สอนผู้เตรียมตัวให้เขาไปอยู่อยู่ของเขาเองได้โดยปลอดภัยแต่ถ้าเขาไม่ต้องการทำตามที่เราสอนเราก็ช่วยไม่ได้ค่ะำถามข้อต่อไปจากคุณจักรกิจทาง youtube ค่ะนามสการขอรับคาว่าคิดดีหมายถึงอะไรครับ ก็คิดที่ทําแล้วทําให้คนอื่นก็มีความสุขคิดดีอคิดร้ายก็คือคิดแล้วที่จะทําให้คนอื่นเขาทุกข์ให้เ้าเสียหายเดือดร้อนก็คิดไม่ดีอย่นงใดอยากจะคิดดีก็เราคิดวันนี้จะไปช่วยใครดีวันนี้จะเอาขนมไปแจกใครดีออย่างนี้เรียกว่าคิดดีเพราอทำนี้แล้วทําให้คนอื่นก็มีความสุขไม่ใช่คิดว่าวันนี้จะปักขโมยเงินของใครดีจะไปจีบแฟนของใครดีเนี่ยคิดร้ายเข้าใจไหม คำถามข้อต่อไปจากทางไลน์ค่ะน้อมกราบเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วรู้สึกว่าเราบังคับหายใจเองแก้อย่างไรก็ไม่หายผมควรทำอย่างไรดีครับก็ไม่ต้องแก้ถ้ามันมันเพียงแต่ความรู้สึกเราไม่ได้เปบังคับมันหรอกเราไปรู้สึกว่าเราบังคับมันเองถ้าเราใช้ลมไม่ได้ก็อย่าไปใช้ลมใช้อย่างอื่นแทนใช้พุโทโธแทนหรือให้เรานึกภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง นึกภาพพระพุทธรูปก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้แล้วใช้ใช้ภาพเป็นเป็นอารมณ์แทนก็ได้หรือใช้แสงก็ได้นึกถึงแสงสว่างหลับตาแล้วให้นึกถึงแสงสว่างให้มันขาวจั่วขึ้นมาในจอภาพนี้ก็ได้หรือให้นึกถึง อ, อะไรก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่งั้นถ้าดูลมไม่ได้ก็ดูที่ท้องก็ได้ ดูที่ท้องว่ามันเวลามันพองเวลามันยุบก็ได้ยุบหนอพองหนออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเราดูลมไม่ได้คิดว่าเราไปบังคับลมก็อย่าไปดูมันใช้คำบริกรรมแทนถ้าบริกรรมไม่ได้ก็ให้ใช้นิมิตแทนนึกถึงภาพรูปอะไรสักอย่างขึ้นมาสีก็ได้ชอบสีไหนก็หลับตานึกให้สีนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วให้มันตั้งอยู่ อย่าให้มันหายไปใจก็จะสงบได้คำถามข้อต่อไปค่ะเมื่อเราโดนดูถูกจากคนอื่นเราจะทำอย่างไรดีคะกราบขอบพระคุณค่ะเราก็ดูความจริงซิเขาว่าเราเป็นควายเราเป็นควายหรือเปล่าเราไม่เป็นควายเราบอกให้มันตาบอดเนี่ว่ะเห็นคนเป็นควายได้ไงวะก็เท่านั้นเองเราไปหยาดเขาชมเราเท่านั้นอ่ะพอเขาไม่ชมเราเราก็โกรธกขาเสียใจ เราดูความจรงงิงเราไม่ดีเขาว่าเราไม่ดีเราก็ต้องขอบใจเขาว่าเขาเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราธรรมดาเราไม่ก็เห็นความไม่ดีของเราหรอกเราจะชอบคิดว่าเราดีเสมอดังั้นบางทีต้องอาศัยกระจกอาศัยคนอื่นบอกเหมือนเราแต่งหน้านี้เราต้องมีกระจกกเปล่าถ้าเรามั่นใจว่าเราดีต้องมีกระจกทําไมเราทาปากยัง <S <S ไงมันก็ต้องดีใช่ไหมถ้าเราคิดอย่างนั้นอย่ามันมันต้องมีกระจกมันต้องมีคนบอกเรา แม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าพุทธเจ้าอย่างบังคับให้มีการตําหนิติเตียนกันเลยมีการบอกกล่าวว่ากล่าวตักเตือนได้เนี่ยว่าออกพรรษาถ้าให้ทําพิธีปวารณาตัวคือเปิดโอกาสให้ผู้อื่นตําหนิติเตียนได้ถ้าสงสัยก็ดีเห็นก็นดีได้ยินก็นดีว่าการกระทําของเราไม่ถูกต้องขอให้ได้กรุณาได้บอกได้บอกใ ห, ให้ทราบด้วยเถิดจะเป็นทคุณอย่างยิ่ง เ, เพราะการตําหนิติเตียน ที่เป็นความจริงนี่มันเหมือนกันชี้ขุมทรัพย์เพราะว่าการไม่ความบกพร่องของเรามันไม่ดีพอเรากําจัดความบกพร่องได้เราก็จะทําให้เราตัวเราดีขึ้นมีคุณค่าขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปกังวลกับคําพูดของคนอื่นใครก็จะพูดอะไรก็เป็นสิทธิของเขาเราเป็นผู้ฟังเราต้องฟังด้วยปัญญาเระอย่าฟังด้วยอารมณ์ฟังว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูก ถ้าจริงเราก็ต้องขอบใจเขาถ้าไม่จริงก็ถือว่าเขาหูหนวกตาบอดหรือพูดไปตามอารมณ์พูดตามอาคติอาจจะไม่ชอบเราเขาก็เลยพูดไปแต่เราก็ห้ามเขาไม่ได้คาถามข้อต่อไปจากคุณสุรจิตค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนนี้มองเห็นความอยากกับความไม่อยากกับคนรอบข้างทำให้รู้ว่าต้องเวียนไหวตายเกิดกับกันนับไม่ถ้วน ใจผมรู้สึกเบื่อเบื่ออยากพยายามให้ใจไม่เกาะความอยากและความไม่อยากทำอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ถูกม่นต้องทำใจให้สงบถึงนีถูกคิดไม่ได้หรอกยิ่งคิดมันก็ยิ่งมันก็หนีไม่พ้นหนีจากอยากก็ไปเจอความไม่อยากหนีจากความไม่อยากก็มาเจอความอยากนี่วิธีที่จะห น, นีที่ถูกต้องต้องทำใจให้สงบต้องนั่งสมาธิทาใจ ให้สงบพุโทโธพุโทโธไปดูลมไปเดี๋ยวใจสงบแล้วความอยากไม่อยากก็จะหายไปแล้วก็จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพาะใจจะเฉยใจจะไม่เดือดร้อน <c oughs> กับสิ่งที่เราอยู่ด้วยคำถามข้อต่อไปจากคุณมังกรทองค่ะกราบนมำสการพระอาจารย์ครับการที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเรียกรับสินบนรีบไถ่ประชาชน ได้เงินไปโดยที่เขาไม่เต็มใจให้พวกนี้จะได้รับกรรมเป็นเช่นไรในเบื้องหน้าครับก็ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็เป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวจะอดอยากกลัวกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องไปนี่ก็เป็นพวกกระสุนละกายถ้าทำบาปด้วยความโกรธเกลียดเกลียดคนนี้ก็เลยต้องรีดเงินมันให้มันเดือดร้อนนี้ทาด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตก็จะเป็นนรกขึ้นมา ถ้าทำด้วยความหลงไม่รู้ว่าว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมีก็จะไปเป็นเดรัจฉานการทำบาปมันมีอยู่สี่เหตุผลด้วยกันทำด้วยความหลงก็เป็นเดรัจฉานทำด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำด้ความกลัวก็เป็นผีหรือเป็นนสุลกายถ้าทำด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกขึ้นมาหมดแล้รอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม เดี๋ยวรอคําถามช่วงนี้ให้คนเอาของมาถวายได้อ่ะอยากจะถวายอะไรเข้ามาคําถามยังเข้ามาได้อยู่นะยังมีเวลาอีกประมาณสิบนาทีแต่ตอนนี้พักเดี๋ยวพอดีมีคนอยากจะถวายของก็ให้เขาเข้าม า, า, า, าเอาวางไว้เฉยๆไม่ต้องอพราวกินตอนนี้ไม่ได้พระ <laughs> ต้อ ง, ง, งเออวางไว้เออ ของกินนี่ถวายกับมือไม่ได้หลังจากพระฉันเสร็จแล้วที่นี่ฉันมือเดียวถ้าเป็นของกินนี้ต้องวางไว้ฝากลูกศิษย์ไว้แล้วลูกศิษย์ก็จะเอามาถวายให้ตอนที่ฉันตอนเช้าถ้ารับกับมือท่านปรับรับแล้วก็ให้เอาไปฉันไม่ได้ต้องสละทันทีถึงของที่ญาติโยมมาถวายเลยบอกไม่ต้องรับกับมือให้วางไว้เฉยๆ เ, เพราะของมันมีหลายอย่างปนกันของบางอย่างรับได้ของบางอย่างรับไม่ได้ ของที่รับได้ตลอด24ชัว่วโมงก็คือยาเของบางอย่างรับได้แต่รับแล้วเก็บไว้ได้เพียง7วันเช่นพวกน้ำผึ้งน้ำมันน้ำอ้อยน้ำตาลเ น, น, ย, น, น ย, ยน้นเนยใสนี่รับได้แต่เก็บไว้ได้ไม่เกิน7วันถ้ามากก็ต้องแยกเอาไว้แล้วค่อยเอาแบ่งมารับทีละน้อยจะได้เก็บไว้ได้ถ้ารับทีเดียวถ้าเหลือถ้าหลัง7วันแล้วยังเหลืออยู่ก็ต้องสละไปเก็บไว้ต่อไปไม่ได้ าการประเคนนี้ต้องต้องรู้ว่ากำลังประเคนอะไรคนจะรับหรือไม่รับมีคำถามเข้ามาอีกไหมถ้ามีก็ถามต่อคำถามจากคุณน้อยนาค่ะคนถามทำบางอย่างกับเราจะเลือกจะเลือกเฉยหรือบอกเจ้าคะก็ดูผลที่จะตามมาถ้าพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็พูดไป ถ้าพูดแล้วเกิดโทษก็อย่าพูดถึงแม้จะเป็นความจริงแต่บางคนรับความจริงไม่ได้ก็อย่าไปพูดพูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายก็อย่าไปพูดถ้าพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็พูดไปถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพราะความไม่แน่ใจพูดไปแล้วอาจจะเสียหายก็ได้คำถามข้อต่อไปจากคุณพิสิทธ์ค่ะทำอย่างไรให้รู้สึกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับให้มีสติพุทโธพุทโธไป ให้หยุดความคิดพอหยุดความคิดแล้วผู้รู้ผู้เตือนก็จะปรากฏขึ้นมาตอนนี้ความคิดมันกอบเอาไว้มันบังเอาไว้หมดแล้วหลคะคำถามจากคุณฟูค่ะถ้าเราคิดบริจาคทานทรัพย์สินที่มีอยู่หลังตายไปให้คนอื่นมูลนิธิโดยทาพินัยกรรมเอาไว้อย่างนี้ได้บุญไหมครับถูกต้องไหมครับไม่ได้หรอกต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ อย่างนั้นเราก็เขียนพิธีกรรมไว้หมดไม่ต้องทําบุญทุกวันอันนั้นให้โดยโดยเพราะถูกบังคับให้แล้วมันไม่ได้ให้ด้วยความต้องการจะให้ให้เพราะเก็บเอาไว้ไม่ได้เอาไปไม่ได้ก็เลยต้องให้มันต้องให้ด้วยความยินดีและต้องรับรู้ด้วยในขณะที่เราให้ไม่ใช่เขียนพิธีกรรมไว้ตายไปแล้วไม่รู้เข้าไปให้ใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปแย่งกันไปขึ้นลงขึ้นศาลกันอีกใช่ไหม ก็มาอ้างว่าพินัยกรรมปองขึ้นมาก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วดะงนั้นถ้าอยากจะได้บุญเราต้องให้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ให้กับมือให้ด้วยความรับรู้ว่าเราได้เสียสละเงินก้อนนี้ไปแล้วถึงจะได้บุญหรือให้อย่างอื่นก็เหมือนกันอวัยวะก็เหมือนกันบริจาร่างกายนี่ก็เหมือนกันถ้าอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่ยังไม่ตาย ควักตาไปข้างหนึ่งเลยนะใครอยากจะได้ตาเอาไปข้างใครอยากจะได้ตายเอาไปข้างใครอยากจะได้ปอดเอาไปข้างใครอยากได้เลือดเอาบริจากเลือดอย่างเงี้ยมันจะได้บุญบุญคือความสุขใจมันจะเกิดขึ้นก็ตอนที่เรารู้ว่าเราได้เสียสละทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแต่ตอนที่เราตายไปเราไม่รู้แล้วเราว่าเงินทองข้าวของอะไรต่างๆที่เรามาอยู่นี่จะไปเกิดประโยชน์กับใครที่ไหนเราไม่รู้แล้วมันก็ไม่ได้บุญ คำถามข้อต่อไปจากคุณบางออนค่ะกราวพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าลูกชายจะเข้าทํางานต้องเสียตังค์ให้กับคนที่รับบาปไหมคะขอบคุณค่ะอา้าวก็เหมือนกับตีตั๋วเข้าโรงหนังนะเนี่ไปดูหนังก็ก็ต้องให้เราตีตั๋วถึงจะเข้าโรงหนังได้จ ะ, จะทํางานบริษัทนี้เขาว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้กับคนรับก็เลยอยู่ที่เราถ้าเราอยากจะทําก็เราก็ต้องจ่ายถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่จ่ายไม่บาป เราไม่บาปเราคนให้กันไม่บาปอยแล้วแต่คนรับเงินนี้อาจจะบาปก็ได้ถ้าผิดกฎระเบียบของบริษัทแล้วแอบอ้างหน้าที่ของตนเอาหน้าที่ของตนมาหาผลประโยชน์ใส่ตัวอย่างนี้<ม>ก็ถือว่าเป็นการช่อโกงคําถามข้อต่อไปค่ะตอนนี้ท้องห้าเดือนอดีตสามีไม่เคยสนใจตั้งแต่รู้ว่าท้องได้หกสัปดาห์แถมให้ไปเอาออก จึงอยากทราบว่าถ้าเราไม่ต้องการให้เขามามีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกอีกจะเป็นบาปไหมคะไม่บาปหรอกแต่ว่าบางทีมันเรื่องของความของขอ ง, ของพ่อของลูกของแม่ของลู ก, ลกบางทีเขาก็ยังมีความผูกพันอยู่ก็ได้ถ้าเขาอยากจะมาหาลูกก็ต้องให้เขามาหา คำถามจากคุณรุ่งค่ะกับเรียนถามครับพระอาจารย์เราจะทำบุญกะถินกับวัดที่มีพระอยู่จำพรรษาเพียงสองรูปได้ไหมครับโดยที่วันที่ทอดกรถินวันที่ทอดเรานิมนต์พระจากวัดอื่นมาให้ครบห้ารูปจะได้องค์แห่งกะถินไหมครับก็เป็นกรถินเทียมไงก็ไม่ใช่กรถินแท้กะถินแท้นี่ต้องพระห้ารูปที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตามหลักพระวินัย ที่สมัยนี้เขาก็อยากจะได้ความโลปอยากจะได้กระถินก็เลยอโยมก็อยากจะถวายกรถินพระก็อยากจะได้กรถินก็เลยไปนิมนต์พระจากวัดอื่นมาให้ครบห้ารูปแล้วก็แล้วก็รับมันไม่ได้ถูกต้องตามพร ะ, ะวินยัยเป็นกรถินปลอมเป็นพระ ป, ป่าแต่ความจริงพระ ป, ป่ากรถินก็เหมือนกันมันอยู่บุญเท่ากันอยู่ที่ว่าเราถวายมากถวายน้อยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพระ ป, ป่าหรือกระถิน่น ถวายร้อยหนึ่งผ้าป่าถวายร้อยหนึ่งกระถินขบุนก็เท่ากันคำถามข้อต่อไปจากคุณพัทราวดีค่ะที่สุดของไตรลักคืออะไรเจ้าคะไม่มีหรอกที่สุดของไตายรัก <laughs> ตายรักก็เป็นตายรักหมดตายรักก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา คำถามจากคุณนัทชัยค่ะกระผมขอธรรมะเพื่อเป็นคติและกำลังใจในการทำงานที่เต็มไปด้วยอุปสรรคในยุค ป, ปัจจุบันนี้ด้วยขอรับก็ให้มีความซื่อสัตย์สุดจริตแล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็รู้จักประสานกับผู้อื่นอย่าเป็นแบบเขตรงหมดทุกอย่างอยู่กับคนอื่นท้งานกับคนอื่นมันก็ต้องรู้จักปภาษากับเขาต้องมีความเมตตาให้อภัยกันแล้วเราก็จะทำงานอย่างมีความสุข แต่เราต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอันดับแรกมีความขยันแล้วก็มีความสามารถที่จะอยู่กับผู้อื่นได้อย่างไม่มีปัญหาอันนี้คือธรรมะที่เราควรจะเอามาใช้ในการทางานร่วมกันเอาข้อสุดท้ายนะค่ะข้อสุดท้ายจากคุณวนิดาค่ะถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนิ่งคล้ายหลับเงียบไปแล้วสักครู่เรารู้สึกเหมือนตื่นทํ <c oughs> ทำอย่างไรเป็นการปฏิบั ต, <c oughs> เบติเป็นการปฏิบัติที่ผิดไหมคะ ก็มันหลับไงมันหลับมีคล้ายหลับมีมีคล้ายตื่นมันก็หลับเท่นแหละแต่ไม่ยอมรับความจริงว่ามันหลับถ้ามันหลับก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนแสดงว่าสติมีกำลังไม่พอหรือว่าเราไปนั่งตอนที่เราเพิ่งรับประทานอาหารมาเสร็จใหม่ๆมันจะง่วงหรือเรานอนไม่พอแล้วมานั่งมันก็หลับได้ยัมันต้องแก้แก้ปัญหานี้ด้วยการลุกขึ้นมาเดินก่อน แล้วพอตื่นรู้สึกว่าตื่นเต้นที่แล้วก็ลองกลับไปนั่งใหม่ถ้ายังหลับก็ลุกขึ้นมาใหม่เดินใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่ามันเกิดจากปัญหาเรื่องรับประทานอาหารก็ลดน้อยลงไปกินให้มันน้อยลงไปกินมื้อเดียวเดีอวแล้วปัญหาเรื่องของความง่วงนอนก็จะหายไป